เข้าที่มาภานาเลยได้ประโยชน์สมาทานศีลไปแล้วไปถึงไปวิรัตไปงดไปเว้นถึงจะมีอานิสงส์น ะ, ะถ้าไม่ถึงไม่วิรัตไม่งดไม่เว้นไม่มีอานิสงส์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์แต่การที่เรารับบ่อย มันเป็นการปลุกมันเป็นการเตือนสติเป็นเหตุให้เราได้สำรวจตรวจตราทุกบทสิขาบทของเราขาดไปกี่ข้อขาดไปกี่ข้อเหลือกี่ข้อเหลือเหลือทั้งหมดมันจะเป็นเหตุให้เราได้สำรวจตรวจตราเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย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 สรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิบุตยามปิบุธังสรนังขจามิบุติยปิธรรมังสรนังขจามิ รูปยัมปิกสังขังสระนังขจามิรูปยัมปิสังขังสระังขจามิตัตยัมปิกพุทธังสระนังขจามิตัตยัมปิกพุทธังสระนังขจามิตัตยัมปิกธัรมังสระนังขจามิตัตยัมปิธรรมังสระนังขจามิ กมนันนิทวิตังปานติปตาเวรมนีสิก้าปัจจันตสัมา d i y a i นาดินนาานาเวรมนีสิก้าปัจันสมา d i y a i วิจชาจาราเวรมนสิกขาประดังสัคมาดยามิมุสาวาดาเวรมนีสิกขาปะดังสัคมาดียามิสุรามิระมชยะมาดัานา เวรมนุยศิคขาปังสะมาติญาณิภิมหนิปัญญาศิคขาปานิเลนะสุกัดติยันติเลนะโอกาสัมปา สิเลนะนิพพุติยันเตทัตมาสีลังวิโสทายเลยเอาเลยเ กนาทม พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ในธรรมใคร่ในธรรมย่อมได้อัดได้ทำถ้าไม่ใคร่ในอัดในธรรมกิเลสถึงเราไม่ใคร่ไม่สนใจแต่เ็เป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมดเราใคร่ในธรรมเท่าว่าเราดึงเราแย่งอกาอยากปักของกิเลสมันคว้าใส่ปากของกิเลสถ้าเราไม่รา เพราะฉะนั้นการที่เรามีกิจรกรรมมีการสวดมีการเทศมีการฝึกฝนมีกา ร, การอบรมอยู่บ่อยเกี่ยวกับเรื่องธรรมมันจึงเป็นการยืนแย่งกิริยาที่เป็นศิลงเป็นธรรมออกจากปากของกิเลสมันไม่เป็นการที่ใหญ่โมระนั่แหละเวลานี้เป็นเวลาบ่าย เป็นเวลาประดี๋ดีนั่งไปเงียไประวังเหงาไปใส่ส ป, ปังกไปตั้ให้ดีตั้งสติให้ดีตั้งใจภาวนาเอาตอนกลางวันนี้นแหละตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็ฟังเทศไปด้วยหากมันออกจากภาวนามาขยับมาที่เทศตกจากภาวนาไป ก็พยุ์กับเทศขยับหยักเทศมาก็ไม่อยู่กับภาวนาตลอดระยะเวลาที่เราพูดกันมะได้ประโยชน์ทั้งหมดกอให้ทุกคนได้นั่งสํารวมแล้วก็ภาวนาแล้วก็ฟังเทศในโอกาส ต, ต่อไปขาอที่เราเนี่ยเรื่อยๆยังไงยังไงหูเราไม่ดับหูเราก็ได้ยินแต่สติส่วนเราดึงมือดึงมาอยู่กับอารมณ์ธรรม ก็เป็นการมัดจิตของเราสองระดับตกระดับหนึ่งให้ไปอยู่ในระดับหนึ่งขยับจากระดับหนึ่งไมาอยู่ในระดับหนึ่งไม่ให้จิตของเราออกไปนอกจากสิ่จากธรรมได้ประโยชน์เกิดประโยชน์เราจะไม่ฟังสักแค่ว่าฟังฟังจบไม่มีอะไรประทับไม่มีอะไรซีนทราบไม่มีอะไรอัดแน่นในหัวจิตหัวใจของเรามันได้ประโยชน์น้อยแต่ถ้าเราทําอย่างนี้มันได้ประโยชน์ ได้รับความประทับใจนในหัวใจของเราตั้งใจนะไ <c> ห <oughs> วครูก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมธธพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมธธพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผู้จาจักผู้เจริญญาเอตัมมันกลมุตตะมันตี <c oughs> <c oughs> ต่อไปนี้ให้ตั้งใจฟังความธรามน้องความรู้สึกมาอยู่ที่กายของเราน้องความรู้สึกมากำกับที่จิตของเรา ถ้าความรู้สึกของเราออกไปจากกายของเราออกไปจากจิตของเรามันมักจะไปอยู่กับสัญญาอารมณ์ข้างนอกทำให้กิเลสต่างๆมันสวมรอยมาได้ง่ายสวมรอยมาง่ายๆขณะเราตั้งใจจะบบรมธรรมก็สูญใจแท้มันยังแซงมาข้างๆนั่นแหละมันเป็นธรรมสองอย่างที่มันเป็นคู่แข่งกัน กุศลกับอกุศลกิเลสกับธรรมมุดแข่งกันมาตลอดแข่งกันไปยาวมากกิเลสมันแข่งกับธรรมแข่งไปยาวมากฟังดูตามที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้พระโสดาบันได้พระสิท ธ, ธาคารมันยังแข่งไปู้ถึงโคสุดท้ายกรมราคะกมรมกุณทั้งหลาย แทงไปจนถึงนู่นโคงสุดท้ายนั่นอาณาธรรมจากนั้นเลนหมดคู่แข่งแล้วก็ไปข้ามหนึ่งอาณาธพนหมดคู่แข่งหมดคู่แข่งขันเรื่องของกรรมเรื่องของเวรของภัยของบาของกรรมเราระลึกแล้วก็น้อมมาสู่ใจของเราเราทําอะไรมามากน้อยเท่าไหร่พียงใด กรรมส่วนใดเป็นกรรมสุททิของเรากรรมส่วนใดที่เป็นกรรมที่เป็นส่วนกุศลกรรมส่วนใดที่เป็นส่วนของอกุศลอันนี้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราแท้ๆให้เราพยายามราึกนึกถึงกับเพราะกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกระแสสองกระแสคือกระแสของธรรมกับกระแสของกิเลสตราไปที่เราพลิกแปลเปลี่ยนแปลงด้วยอาํานาจของธรรม มันกลายเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากเมื่อไรเรากระดุกพลิกกระดูกกระดิษกพริกแผลงไปเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสกิเลสตัณหาราคะความโลภความโกรธอิจฉาพิเศษพยาบาทผลวิบากมันก็เป็นเรื่องของกิเลสกลายเป็นกิเลส ก, กรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นคู่แข่งกับกรธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากเท่อะไร เช่นอย่างเรานั่งสัมบูรณ์กายต้องการให้ใจของเราสงบอยู่กับภารมลิมีเดียให้เขาต้องการให้เขาสงบเฉยเฉยไม่ได้ต้องมีงานให้เราทํางานก็คือบทธรรมเอามากํากับพุทโธพุทโธพุทโธเราดํำริพุทโธ ท, ทุกขณะมีสติกํากับจิตเราทุกขณะมันเป็นการปลุกจิตของเราทุกขณะปลุกจิตของเราให้ตื่น เวลาจิตของเราหลับมันก็ไปพร้อมกับความหลงตราบไปที่มันหลงมันก็หลับตราบไปที่หลับมันก็หลงมันหลงมันหลับเพราะมันขาดสติเพราขาดสติทีไรเมื่อไหรจิตของเราเขาหลงอวิชชาครอบงาก็แสของกิเรีครอบงาแล้วมันแข็งมันแข็งมันแสงหน้าเราแล้วนะ แทนที่จะเป็นผู้คู่แข่งอยู่ข้างหลังเรามันเป็นคู่แข่งแซงข้างหน้าไปแล้วตราบใดที่เราหลงความหลงครอบงำหัว ใ, ใจของเราเพราะฉะนั้นเรากําหนดพุดโทโธพุโทโธปลุกจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่ตลอดทุกปริยทุกขณะจิตทําได้นะทําได้พยายามกำหนดจดจอ่อทำลงดูครูบาจารย์ท่านให้เอาลงหายใจเข้าหายใจออกดูกลับด้วย หายใจเข้าหายใจออกมันหักเป็นหลักธรรมชาติของร่างกายของเรามันต้องหายใจเข้าไปเอาอาหารดีๆเอาไปให้ร่างกายหายใจออกว่าทายของเสียออกาหายใจเข้าเราก็กหนดพุทหายใจออกเราก็กำหนดโทเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันหายใจเข้าโดยที่เราไม่กรงคอยดูให้มันขับเข้าไปตามธรรมชาติคอยกาหนดตามพุท หายใจออกมาโท่ถ้าพระไม่ค่อยได้ทำมันไม่คล่องถ้าเราทำจนคล่องแล้วมันมันไปได้วยกันทำให้จิตของเราเนี่ยหลับสงบนิ่งได้ง่ายแล้รับความสุขได้เร็วเหมือนกับพ่อหรือแม่ไวเราให้หลับอยู่ในเปลเลยโถ่โท เาตามลมหายใจเข้าพุทตามลมหายใจออกโธหรืออีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเป็นคราวฉุกเฉิอนขึ้นมามีอะไรที่เป็นอารมณ์แรงขึ้นมาเฉพาะนาดแบบพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธุทพุทธทใช้สติจ่อถ้าเรามีสติกำกับทุกทิศจิตของเราจะสงบสงบจากรูปสัญญาไม่ยึงไปที่รูป สัญญาไม่ดึงไปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสสัญญาอาจจะไม่ดึงไปที่เรื่องราวปัญหาสารพัดที่มาเกาะรุมมีกันในหัวใจขเรามันดึงไปไม่ได้เพราะจิตของเราทำงานตื่นรู้ทีละขณะครั้งละขณะแต่ถ้าหากครั้งละสองขณะแต่แต่ถ้าหากหนึ่งขณะมันทำงานสองอย่างสามอย่างมันไม่มีอะไรชัดสักอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละขณะของจิต ให้เราอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวโมันจะชัดเจนที่สุดแต่ถ้าหากสองอย่างสามอย่างแทรกเข้ามาและมันไม่ชัดมันจะค่อยๆเลือนไปจางไปจางไปจางไปมืดไปเลยหลับไปเลยแทนที่จะตื่นเหมือนขับครบปุกให้ตืไม่ตื่นเน่นห ม, ม, มายความว่าตัวสัญญาอารมณ์แทรกเข้ามาเราพยายามทําให้พขตื่นรู้อยู่ทุกขณะจะพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องตามลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้าตามลมหายใจเข้าด้วยหายใจออกด้วยมันกลายเป็นสติวิปัสสนามันกลายเป็นมหาสติปัฏฐานมันกลายสติเป็นสติวิปัสสนาสามารถระงับดับตัณหาได้ทั้งสองอย่างพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับอารมณ์ 1, ม่เดียวก็ดับตัณหาได้ตัณหาแทรกเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นโบราณท่านิงว่าการที่เราบริกรรมให้ ใ, ใจได้แล้วความสงบ หรือจะเพ่งชามอย่างไรอย่างเพ่งเพ่งกะสินอย่างไรอย่างให้ใจสงบมันก็เป็นเหตุให้ใจปเราสงบนะจากตัณหาได้เหมือนกันเรามาพิจารณาในแง่ของปัญญาใจของเราก็าสงบได้เช่นเดียวกันแต่การพิจารณาในแง่ปัญญานั้นมันเป็นการเข้าไปรู้รากงหงาต้นต่อที่เกิดของกิเลสที่ตั้งอยู่ของกิเลสที่ตับไปของกิเลสรู้เงืนน่อนงารู้แง่รู้กลรู้มาุารู้มายา รู้ตัวรู้ตนรู้ที่เกิดขึ้หมนรู้ที่ตับขึ้นมนแต่ถ้าเราเภาละใจสงกเมื่อเราปัดอย่างนทิ้งหมดขอหลับอย่างเดียวขอหลับอย่างเดียวว่างัตถะขอหลับอย่างเดียวแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยหลักมหาสติปัญฐานหรือหลักวิปัสสนาหมายความว่าเราขอรู้ขอรู้ที่ไปขอรู้ที่มาขอรู้ต้นสายปลายเหตุของมอนันกิเนตันฐานของหัวใจของเรา ถ้าเราพยายามพิจารณาค้นไปให้เห็นเห็นแจ้งชัดเจนคือเห็นสัจธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาพื้นผื้อคบเขี่ยวปัญญาพื้นผื้เหล่านั้นทําเป็นแบบฝุดผัดถูอยู่นั่นแหละคบอยู่นั่นแหละเป็นตะปะัดทำแพ่เขาอยู่นั่นแหะจนออกมาเป็นปัญญาปัญญายาน เป็นญ า, นาณทัศนะเกิดความรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งๆๆขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเข้าไปรู้เข้าไปเหนตัณนหะาเหตุที่เกิดขึ้นมาเห็นที่ดับไปหมดเพราะฉะนั้นวิธีการทั้งสองอย่างนี้เราสามารถระงับดับได้โดยสิ้เชิงคืออำนาจอํานาจของมหาเศรษปัญฐานหรืออํานาจของวิปัสสนาแต่ว่าดับโดยสมาธินั้นมีคุณสมบัติตามมาคือเป็นพลังของใจเป็นกําลังของใจ ในนั้นมีความสุขมีความเปิกอิ่มบางคนมีจริตนิสัยมีฤทธิ์มีเด็ชมีอภิญญามีออกรู้ออกเห็นเห็นเรื่องราวเห็นจริงแปลกปลาดอาศญากรรมเกิดขึ้นในหัวใจของเราบางคนมีนิสัยออกรู้ออกเห็นบางคนไม่มีนิสัยในเมื่อไม่มีนิสัยเราก็มาเส้นตรงมากระแสตรงเพราะเราทํางานตรงตรงแนวตรงแถวตรงกระแสอยู่แล้วคือกระแสในการเข้าไปรู้เข้าไปต่อบกลับปัญหา ที่เกิดของตัณหาก็คือระหว่างอายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบ ก, กันตาเห็นรูปมันพร้อมที่จะเกิดที่ตามันพร้อมที่จะเกิดที่รูปมันพร้อมที่จะเกิดในระหว่างเกิดขึ้น ค, ความรู้ระหว่างตาและรูกปกระทบ ก, กันจป็มีิย่างมันพร้อมที่จะเกิดเมื่อเกิดผัสสะพร้อมที่จะเกิดเมื่อเกิดเวทนาถ้าหามันเกิดขึ้นมามัแสงเข้ามาปั๊บ สุขเวทนายินดีนะทุกขเวทนายินร้ายหนึ่งมาแทรกเข้ามาเลยนะแต่ถ้าหากมันไม่แทรกเข้ามาสุขเวทนาเรารู้สักว่าสุขเวทนาไม่เอาเราเ้าไปใส่ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเอาไปรับว่าเราสุขเอาไปรับว่าเราทุกข์สักว่าสภาวธรรมเหล่านั้นแสดงตนให้ปรากฏเป็นสักจะทามันรู้วันตัหาแทรกเราไปได้เมื่อเวทนา ยินดีเวทนาดีก็ยินดีเวทนายินรา้ายเมื่อจิตของเราเปลี่ยนเป็นยินดีเปลี่ยนเป็นยินรา้ายเป็นพิษสงของตันหาทั้งนั้นแม้แต่อุเบกขาเวทนาเฉยเฉยเฉยเฉยทั้งท่าที่มันมีสังขารมีอมอวิชช า, าแจ่มแพร่กันนั้นมันก็พร้อมที่จะยินดีและมันก็พร้อมที่จะยินร้ายยังไม่ยอมรับว่าเป็นศัตธรรมที่แท้จริง ที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในลําดับกันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเมื่อยินร้ายตัณหาเกิดเมื่อยินดีตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดปุปาทานก็เกิดเมื่อปาทานเกิดภพก็เกิดชาติก็เกิดสกัดพระริเทวะก็เกิดแต่มันทํางานหัวใจของเราฉับเดียวถึงกันหมดไม่ใช่มันไล่หัว อ, อย่างทีเราไล่ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่า ง, างเราไปรู้หลักปฏิจจสมุปบา มันไล่มาเป็นะระอกระลอกระกแต่เวลามันทางานฉับเดียวถ้าดับดับระลอกดับดับตามกันไั้หมดถ้าเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดน้องไปใส่อะไรเกิดทั้งหมดมันทํางานเร็วมากแต่พระพุทธเจ้าท่านจงเอามาเรียนไว้เพื่อให้พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษารู้เข้าใจงานรู้ที่ไปที่มารู้เหตุรู้ปัจจัยของมันที่เกิดของตัณหาที่ดับของตัณหาทําไมเราจึงพูดถึงตัณหา ตัณหาเป็นสมุทยัยเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องการความสุขตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ทุกสมุทยัยมีโรคหนัก้าเราจะน้อมมาที่หลักอริยสัจสี่ทุกก็คือร่างกายของเราเป็นก้อนทุกข์จิตใจของเราที่บวกไปด้วยกิเลสเป็นก้อนทุกข์เป็นผล เวลเา เ, ลลเราต้องการต้องการดับทุกเหล่านี้เราต้องการดับทุกเหล่านี้เราต้องดับที่เหตุถ้าเรามาดับที่ตัวทุกดับไม่ถูกที่หรือวเราดับไฟผิดที่ไฟไม่ดับเราจะต้องมาดับที่สมุทยัยคือต้องมาดับที่ตัณหาเพราะตัณหามันพาให้เรายึดเช่นย่างเรายึดว่าเราเราเเร า, เ ร, าร่างกายเป็นเรา พอเราเจ็บเราปวดขึ้นมาเราพยศเวทนาเป็นเรารวมไปถึงว่าสังขารรวมไปถึงว่าวิญญาณเป็นเราความรู้สึกว่าเป็นเรามันท้าทายเรานะเราย้อนไปดูว่าไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเรามันท้าทายเราลองย้อนไปดูถ้าเราตั้งใจภาวนาเราจะย้อนไปดูและเราจะเห็นเราจะเห็นว่ามันท้าทายประมากความว่าเราตราบใดที่เราขาดสติขาดสัมผชัญญาอยู่ในมือกำกับที่จิต สิ่งนี้จะโผล่ขึ้นมาได้เร็วมากเมื่ออัตตาโล่ขึ้นมาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมามีเรามีเขามีของเรามีของเขามีการถือเนืถือตัวด้วยทิฏฐิด้วยมานะมีการถือสูงถือต่ําถือเราถือเขาถือสูงถือต่ําถือยศถือเกียรติถือศักดิ์ศรีถือการเคารพถือการอุทูปถือถือการอุหมิ่น หรือการจำเปลี่ยนามมาทุกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในเมื่อฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ถูกใจยื้อแย่งแข่ดีกันทะเลาะเบาแวงกันฆ่าแกงกันเป็นฆ่าศึกเป็นสงครามเป็นอะไรที่เป็นไปอยู่ในโลกเป็นกับกิริยาการของกิเลสที่ผิวเผิอนอยู่นอกนอกนี้เองแต่เขาไม่เคยจาะลึกเข้าไปรู้ถึงสาเหตุต้นตอของมันพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้ทราบนะ พยายามขุดคุยให้เราตั้งใจปฏิบัติศึกษาขุดคุยเข้าไปเพื่อให้เห็นสาเหตุต้นต่อของมาันเพราะต้องการจัดระงับดับที่เหตุคือสามาุทัยของมันดับอะไรดับตัณหาตัณหาจะสงบระ ง, งับได้ต่อเมื่ดเราพยายามตั้งสติกำหนดหดจ่อรออยู่เพราะสติกับสัพพัญญเป็นคุณสมบัติเยี่ยมอย่างหนึ่งของจิตเกิดขึ้นมาพร้อมกับจิตกำกับมาที่จิต โดยเหตุที่เรามีคุณสมบัติติดเนื้อติดตัวมากับผู้รู้จิตก็คือผู้รู้คือท่ารู้นี่แหละมันมีคุณสมบัติอันนี้ติดมาด้วยถ้าหากเราไม่มีคุณสมบัติเหลานี้ติดมาด้วยเราก็ไม่มีทางออกแต่ถ้าหากไม่สร้างไม่ไม่สร้างปัญญาปรมีบัญญยากพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญญาที่จะพบเจอทางออกได้เหมือนอย่างพวกพราหถึงแม้ว่าเขาจะทําใจให้ได้รับความสงบถึงขั้นได้รูปปัสมาบัติก็ตามรูปปัสมาบัติก็ตาม ไม่สามารถจะหาช่องทางออกจากทุกข์ได้พระยพุทธเจ้าทังทรงไปศึกษากับกุฏกกระดาบุตรตาระดับอาจารย์ของท่านซึ่งมีความสงบสูงมากพิจารณาทั้งสิ่งที่รูปเป็นรูปเป็นอารมณ์พิจารณาทั้งสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ที่จะเรียกว่ารูปปัสมารถอารมณ์ ป, ปสมาติเป็นความสงบละเอียดลึกซึ้งมากเป็นคุณสมบัติความสงบของใจยอย่างเดียวแต่ไม่มีช่องออกไม่มีทางออก ไม่มีปัญญาเพราะไม่สร้างปัญญาบารมีครูพุทธยากัณนเไปเรียนอญญาจารย์บอกว่าจบแล้วแต่ว่าความทุกข์ยังกองเต็มในหัวใจของพระองค์ไม่ใช่เราต้องการปฏิบัติเพื่อสงบระงับดักองทุกข์ในหัวใจความที่สงบเฉยเวลาตื่นรู้ อ, อมาตาหูจมูกลิ้นกายใจเีื่อยเมื่อไรมันชิ่มแทงเกิดความทุกข์เกิดความทรมานตามมาวิตกกัวงวลวงใ ย, ายสารพัดเกิดขึ้นตามมา ไม่มีความสุขศิลันิคอยมากระตุ้นเตือนคอยมาที่แทนในหัวใจของเราไม่ได้รับความสุขน่าจะไม่ใช่ทางพระองค์จึงมาบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองเวลาพระองค์บำเพ็ญแล้วบรรลุแล้วพระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้ตามหลักอริยสัจจีนนี้โดยที่พระองค์ทรงมากําหนดทุก จะหนักกายไล่ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไล่ไปอาการสามทสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังมีอะไรมีเราเข้าไปเกาะตะเกี่ยวอยู่ในนั้นไอ้คำว่าเราเราเราเราในที่นี้หมายความว่าความลุ่มหลงด้วยความรู้สึกว่าว่าเป็นเราไปยึดว่ากายเป็นเรายึดว่าเวทนาความเจ็บความปวดความป่วยไข้อะไรยสัรพันว่าเป็นเรา ยึดสังขารยึดวิญญาณว่าเป็นเรายึดเฉยเฉยเกิดความยึดตามอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเมื่อเราเอาจิตมากำหนดจดจ่อโรยเจ็บก็สัจธรรมเจ็บจริงๆริงนะเวทนาทุกขเวทนาสัจธรพมทุกขเวทนาจริงๆสุขเวทนาสัจธรรมสุขเวทนาจริงๆรายสัจธรรมกายจริงจรเวทนาสัจธวรมเวทนาจริงๆจิตผู้รู้ว่ากายผู้รู้ว่าเวทนา ก็ศักยภาพจิตจริงๆเราสามารถมาพิจารณาได้โดยหลักของมหาสศิปัฏฐานหลวงตาท่านประมวลนามาสอนให้พวกเราทําได้ตามได้ง่ายๆท่านสอนให้เรากําหนดกายกย้อนมาพิจารณาที่จิตย้อนมาพิจารณาที่จิตก็คือเพื่อที่จะมาดูสมุทยัยสมุทัยมันเกิดมันเกิดที่จิตที่เรียกว่ากําหนดทุกข์แล้วก็ย้อนมาดูสมุทยัยกำหนดทุกข์แล้วไปย้อนมาดูสมุทยัยวิธีนี้เป็นวิธี มหาเศิปัญหาเป็นวิธีใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อให้ให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่อของปัญหาเพราะเวลาตัญหาเกิดมันจะเกิดที่จิตตาเป็นเหตุให้ตัญหาเกิดแต่ไม่ใช่ที่เกิดของตัญหาหูจมูกนิ้วกายใจเป็นที่ทําให้ตัญหาเกิดแต่ตัญหาเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจเพราะฉะนั้นเวลาเราไปพิจารณาสิ่งนั้นแล้วให้ยอนมันที่ใจเลิเลือตัญหามันปลดขึ้นมาที่หัใจ มันเผิอแขเข้ามาโคลขึ้นมาพร้อมกับที่เรากําหนดจดจอด้วยธรรมด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมเมืม่อเวลาเรามาสัมผัสกันปั๊บมันสป้กากันเนี่ยมันก็ะแทกันกร ะ, กกระเียนกันราไปข้างหนึ่งตื่นตื่นรุนแรงใชด้วยไหมเวลามาสัมผัสอย่างนี้จิตของเราตื่นรุนแรงมากถ้าเผื่อเราทำมาหากินถึงอิ่มไปหลายวันหลายเดือนแล้วนั่นก็ ถ้าจะเป็นอาหารกับประเภทอะไรเลยประเภทงูงูเหลือมเนี่ยกลืนสัตว์เป็นตัวๆเสรยจแล้วมันก็ไปนอนขดอยู่กองอยู่เป็นเดือนสองเดือนสาเดือนนะใิ่มไป น, นานพอเวลามันเจอข้าศึกศัตรูปังป่าแต่ต้องสติกล้าต้องปัญญาสติสมรรถปัญญาต้องทํางานประสานกันเรากําหนดจดจอมาอย่างนี้เราได้งานเป็นหลักที่สําเร็จว่าหลักมหาสติ ป, ปัฏฐาน มหาศีระทานนี่แหละที่สามารถทําให้เราไปกํากับกับการกลับงานได้ทํางานแล้วก็กําหนดได้ยืนเดนินนั่งนอนเรากำหนดได้หมขอให้เราใช้สติเพราะสตินี้เกิดขึ้นในจิตของเราแต่แต่และครั้งแต่และครั้งมันจะการปลุกจิตของเราให้ตื่นการปลุกจิตของเราให้ตื่นนี่แหละมันจะเป็นการจุดประกายวิชาคือความรู้คือแสงสว่างให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา าหากเราไม่จุดให้เกิดอวิชชามันครอบทุกระยะทุกเวลาเรามาดูได้ว่ากองสังขารท่างหลายท่านหวงที่จะมันจะกอ่อปัวลุกลามใหญ่โตไปมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้ขาดสติขาดสสารชัญญาอาวิชชาเก่ามันส่งเรามาแล้เรารู้ว่าอาวิชชามันเกิดปนเปื้อนมากับทารุณของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่กลับกันบริชาติไหนเราทราบไม่ได้แต่ว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราได้สิ่งเหล่านี้ตามมาด้วย พระพุทธเจ้าท่านมีบุญญาปรมีท่านสามารถพิจารณาเป็นแยกแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เนี่ยสิ่งนี้ส่งประมาแล้วทีนี้เส้นสายที่มันจะเกิดคือมันเกิดขึ้นใหม่นีิคือตัวตันหากัวใหม่ในเมื่อของเก่ามันส่งมาแล้วของใหม่มันพร้อมที่จะทําให้เกิดเป็นลูกเป็นเผ่าเป็นเผ่าเป็นพันมันไม่ต่างอะไรกับพืชพืชพันของต้นไม้มันมีมันมีหมากมันมีผลมันมีดอกมันมีผลมันมีอะรพร้อมที่จะเจริญนีก เป็นต้นใหม่ต่อไปอีกเหมือ่ว่าต้นเก่าตายต้นใหม่มาแทนที่ต้นเก่าตายต้นใหม่มาแทนที่ตัญหาก็เช่นเดียวกันอันเก่ามั น, าา น, าานส่งมาแล้วมันก็มีหนอ่อมีแข น, นต่อเติมเพิ่มเติมเพรมันอยู่เรื่อยอยู่รําไปเพื่อเพื่อที่จะดึงกิจของเราเนี่ยให้ตกค้างอยู่ในโลกอยู่ในวัฏ ส, สงสารเหมือนกับพืชพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มอีอยู่บนผนโลกนั่นแหละเราอยู่ปา่าเราเห็นที่วัดเรามีปา่าป่าไม้ป้องกัน เนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันมีผลมันมีหมากจะเรียกว่าออกคุยออกคุยพอมันออกคุยฉะนั้นน่ะต้นมันตายหมดเกลี้ยงหมดทั้งดมเลยแต่ว่าเมล็ดมันตกลงมาฝนตกลงมาแผ่นดินชุ่มชืมม้นขึ้นมาเป็นต้นกล้าเล็กๆ เ, เดี๋ยวนี้ทุ่งหัวละขึ้นไปสองสามสี่เมแล้วเขมแน่นตึ๊บมากกว่าเดิมอีกแน่ใช่ไหม ต้นเก่ามันตายตาหมดเลยนะต้นเล็กต้นใหญ่ตายหมดถ้ามันออกคุยแล้วกบบตายหมดฉะนั้นมันขึ้นมาใหม่นี่คือการส่งช่วงต่อของมันก็เช่นเดียวกันตัญหาในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันอันเก่ามันส่งมาเนี้วอันใหม่มันมีระบบระบบทํางานเพื่อที่จะเพิ่มปูนความเป็นอยู่ของมันให้เต็นไปได้เพราะฉะนั้นท่านกลิ่ว่ามานมานนี่แหละคือกิเลสสมากิเลสสมาที่มีในหัวใจของเรา เราพูดถึงสิ่งถึงเรื่องสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเงื่อนเพราะอะรเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความทุกข์มนุษย์จากทั้งหลายไม่มีใครต้องการแต่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเราขาดปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเราเลยยึดยึดว่าเรายึดว่าเราเมื่อยึดว่าเราแสดงวัตถูกว่าโอ้เราถูกโอ้เราเจ็บโอ้เราปวดโอ้เราไขา้โอ้ลูกเราโอ้เมียเรา อ่ยเพื่อนเราพอรา่อแม่เราด้วยเห็นที่เรายึดเวลาทั้งใจปฏิบัติธรรมนั้นพิจารณาละเอียดลึกเข้าไปจริงแล้วมองเห็นแต่เป็นแต่เพียงสภาวะธรรมเห็นแต่ความมีความเป็นของมันเวลาเราแยากแยะละเอียดลงไปจริงๆแล้วสมมุติบัญญัติที่เราเคยยึดถือมาทั้งหมดมันตกมันร่วงไปหมดเห็นแต่สภาวะธรรมที่มันมีที่มันเป็นอยู่ความทุกข์ตลอทั้งหลายไม่เกิด ร่างกายเราปวดเช่นย่างเรานั่งเราปวดหัวเขาเราปวดต้นขาเราปวดต้นขาเราปวดต้อโท้เด็เราดูไปเราก็เห็นแต่ความปวดเราไม่เอาไม่เอาคำว่าเราเข้าไปใส่ไม่ใช่ว่าต้อเท้เราไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราปวดถ้าเราสำคัญมั่นหมายว่าเราปวดเราปวดโอ้ยมันยริงร้อนรุนแรงต้องพลิกต้องเปลี่ยนขึ้นมาทันทีนี่นี่แหละคือสาเหตุต้นตอแท้ที่จริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมร่างกายก็เป็นสัจธรรม เวทนาสัญญาสัญไฟมีอย่างแต่ละอยา่ยางแตละอย่างเป็นสัจธรรมเราดูให้เห็นสัตว์่ว่าเป็นสภาวะธรรมก็เป็นสัจธรรมเราดูให้เห็นเวทนาคือความเจ็บความปวดความเปลี่ยนแปลงของมันก็เป็นสัจธรรมแต่เวลาสัจธรรมปรากฏเฉพาะหน้าเราแล้วเรารับไม่ได้เพราะอะไรเพราะความรุ่มหลงในหัวใจของเราที่เรียกว่าอุ ป, ปาทานอุ ป, ปาทานในใจของเรายัางรุนแรงยึดว่าเราเราเร า, เรามันรุนแรงเกินไป จนไม่สามารถจะแยกคำว่าเราออกจากเหตุจของเราได้เพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงเห็นว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการยึดถือว่าเป็นเราที่ท่านเรียกว่าทําความนึกคิดทําลายคิดถิ่สกายทิดถีโอ้สําคัญมั่นหมายว่าเป็นกายเราตป็นกายตายเป็นเราเรามีในกายกายมีในเรามันทําให้เราเกิดความสําคัญมั่นหมายที่ท่านเรียกว่ายึดเอายึดเอาถึงเอายึดเอาถือเอา มานะคือความยึดเอาถึงเอาสําคัญมัน่นหมายเอาแต่เวลาเราส่องไปเคี่ยวไปไปจายไปแยกแยกไปอะไรไปหมดแล้วหายไปเลยเหมือนกนระป๋อต้นกล้วยโบราณมามาเปรียบเทียบ<ง>ต้นกล้วยกล้วยหนึ่งเราเอากล้วยหนึ่งมาปอกปอกปอกหายหมดตั้งต้นเลยไม่มีเลยต้นกล้วยไม่มีมันมีแต่กาไปซ่อนซ่อนซ่อนซ่อนเหมือนก็เป็ น, น, น, นก้อนเป็นแท่งร่างกายของเราเวลาเรามาแยกแยกหมดแล้วไม่มีอเลย แยกผมไปเป็นผมขนไปเป็นขนเล็บไปเป็นเล็บแต่ไม่ใช่ผมเราไม่ใช่ขนเราคำว่าเรายาให้มาเกาะมาเกี่ยวทาความรู้สึกอยู่อย่างนี้แต่ถ้าตั้นถามนสวนรอยเข้ามาผมเราขนเราเล็บเราสวยงามมากเกินนั้นเล็บเราโอ้ผมเรางามมากเกิเอน อ, อัตภาพร่างกายเราสวดสมสันทานว่างามมากเกิเนเราว่าจะเอาเราไปเกาะหรือ่ะมันเหมือนกับเอาอาหารไปเสริมให้กับมัน อาหารของฟิเลิไปเสริมให้กับฟิลิปเสร็นแล้วเราก็เพิม่มคูนทวีคูณความทุกข์ทับถมเพราะอะไรเราพยายามเมื่อเมื่อเราสังขารมั่นหมายว่าเป็นเราแล้วเราพยายามยึดยึดให้มันอยู่ให้มันคงที่ไม่ให้มันเปลี่ยนไปแต่ภาวะเหล่านี้มันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันที่จะเรียกว่าหลักของอนิจจังทุกข์อนัตตาเพราะร่างกายมันเป็นกองสังขารจิตใจของเราก็เป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่าสังขาร คือสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเวลาเขาไปประกอบกันแล้วเนี่ยไม่คเค ย, ย, ย, ย, ยอยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเราดูสิ่งรอบข้างตัวเรามีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างรวมมาถึงอัตภาพอ้างกายของเราส่วนไหนบ้างอยู่เท่าเดิมไม่มีเราดูไปง่ายๆเพื่อให้เห็นง่ายๆนำมาพิจรารณาเป็นกรรมฐานเราย้อนดูไปตั้งแต่เราเดี๋ยวมีอายุเท่าไหร่ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปย้อ น, เ ข, อ น, เ, ขนอเข้าไปในอดีตย้อนเข้าไปจนถึงนในพรรแม่ ย้อนเข้าไปจนถึงอยู่ในท้องแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันเป็นน้ําหยดเล็กๆหยดเดียวนึงแล้วก็ไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญครเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติแต่แท้ที่จริงก็คือตัณหาในใจของพ่อตัณหาในใจของแม่สัมผัสกันประกอบกันทาให้เกิดการไปรวมตัวกันในท้องแม่ธาตุดินน้ํามลมไฟของพ่อธาตุดินน้ํามลมไฟของแม่ประกอบเป็นก้อนสังขานอยู่ในท้องแม่ อยู่เท่าเดิมไหมไม่อยู่เท่าเดิมหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สมอาทิตย์สี่อาทิตย์อาทิตย์ที่หอาทิตย์ที่หอาทิตย์ที่เจ็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจากก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขามีหัวมี ล, ลําตัวมีขามีขามีมือมีขาอยู่เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนคลอดออกมาไม่เคยอยู่เท่าเดิมสังขารเมื่อเขาไปประกอบกันแล้วไม่เคยอยู่เท่าเดิม สังขารภายนอกเราดูเห็นได้ง่ายเช่นอย่างต้นไม้ต้นไมน้นับตั้งแต่เขาเจริญขึ้นมาจากมเมล็ดมาเขาไม่เคยอยู่เท่าเดิมเมล็ดเวลาเขาไปอยู่ถูกแดดถูกฝนถูกความชื้นถูกอะไรก็อะไรขึ้นมาปับ๊บได้ที่เขาก็โผล่ขึ้นมาเราดูที่ ม, ม, มะม่วงเมล็ดมะม่วงพวกมะพร้าวพวกอะไรก็ตามแต่พวกพืชทั้งหลายทั้งปวงที่มันแทงออกมาจากจากมเมล็ดต้นมัน ผมแทงออกมาพักไม่เคยอยู่เท่าเดิมขามก็ย่า ง, างไปเรื่อยยันกาไปเรื่อยยันไปเรื่อยยืดก็ไปเรื่อยตั้งมาเป็นลำตัวเป็นยอดก่อนเป็นใบเป็นลำต้นเป็นดอกเป็นผลอะไรซื่อช่วงมาเรื่อยเรยไม่เคยอยู่กับที่การที่มันไม่อยู่กับที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรานทรงกรัสว่าทุกข์ังทุกข์ังมันไม่อยู่ทที่มันเปลี่ยนไปเป็นอนิจจต้องการให้มันอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่อยู่แต่ตัณหาในหัวใจของเรา มันมากกับมักเห็นว่าอยากอยู่เท่าเดิมไม่อยากเปลี่ยนไปเช่นอย่างเราเดี๋ยวนี้เราอยู่สะดวกสบายไม่เจ็บไข้ไม่ได้ปวยเราอยากมันมีอยู่นี้เป็นอยู่นี้แต่ด้วยเหตุที่ธรรมชาติมันมีเปลี่ยนไปเพราะมันนี่เอจากความสุขสุขก็เปลี่ยนเป็นทุกข์จากทุกข์ทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นสุขสุขสุเปลี่ยนเป็นทุกข์ทุกข์สุขสุขทุกข์ทุุุเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ตามความมีความเกณฑ์ของมัน อะไร ท, ที่เป็นตัวแปรเป็นอยอย่างนั้นดินฟ้าอากาศเป็นอยู่อย่างนั้นร่างกายของเราคืออะไรอะนอกจากสัดส่วนระบรบระบบทั้งหลายในยร่างกายของเราแล้วเรายังมีอิริยาบถเราเดินไปสบายอเดินนานๆเข้าปวดเมื่ยอยอนั่งนั่ง น, นานๆก็ปวดเมื่อยนอนนอนนานๆก็ปวดเมื่อยลุก เพราะฉะนั้นอิริยาบถองล่าเราจึงปิดบางสิ่งนี้นั่งมากปวดวเราก็ลุกเดินยืนนานๆปวดเมื่อยครับก็นันน่งเราเราก็นอนนอนนานๆปวดเมื่อยก็ลท่านจึงว่าอิริยาบถเหล่านี้มันบ้งทุกข์นี่คือความเปลี่ยนแปลงของมันทาให้เราได้รับสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์บ้า ง, างสุขบ้างจิตใจของเราเปลี่ยนไปตามสิ่งเหล่านี้เพราะตัณหามันมีอยู่ในหัวใจของเราเราไม่เคยย่อเป็นอมมันวิธีระงับดับตัณหาเหล่านี้ ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เราตล่มเข้ามานับตั้งแต่การตั้งใจให้ทานขยับเข้ามาตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจรักษาศีลมันเป็นการเริ่มตอกก่อนปันกับกิเลสแล้วให้ทานเขาเริ่มตอกก่อนแล้วเสียสละความเจริญอยู่หัวใจเมื่อเช่เราเราเริ่มเริ่มรู้เราล้วงกระเป๋าเอาเงินมึงเอาเงินแสงเอาเงินล้านไปทําเราลองย้อนมาที่หัวใจระดับ มันมีจวดเจ้าเะนีฉีเหนียวเนี m m ่ยหัวใจของเรามันยืดแย่ไหมหามันเออเออย่างก่อนบางคนเอาลวกแล้วลวกอีกลุกแล้วลุกอีกบางคนเอามาแล้วมากกรรมจนเปื่อยหมดตัดสินใจเพื่อได้เพราะเจ้าไอ้เจนีเจ้าเจนีเนี่มันดึงเอาไว้เสียดาแนี่ยึดว่าเงินเราเงินเราเอาไว้เลี้ยงเราเอาไปเลี้ยงตัวของเรามันจะมีงั้นเนี่แต่ถ้าปราบมันดีท่านรู้ท่านรู้ว่าให้ไปแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มาก เช่นอย่างคนที่รู้ทำเห็นทมพระโสดาบันให้จนหมดเนื้อหมดตัวพระโสดาบันนะให้จนหมดเนือหมดตัวมีอะไรกําลังจะเข้าป่ากมีคนเดินไปให้เขาเอาไปทานเฉยผลอ น, นิสงส์จากการให้เขาไปทานมีอ น, นิสงส์มากกว่าเอามาเข้าปากของตัวเองนั่นพระโสดาบันนั่นคือผู้มีธรรมเห็นอย่างนั้นแต่สลับเราไม่มีธรรมเราสลับความทานไม่ได้เสียดาย ใช้เองดีกว่าฮะเสียดายความตระหนี่แต่ผู้มีบัญญัติท่านบอกว่าผลอานสม์ยิ่งใหญ่ไปซะช่วยอื้ออานวยให้เราประสบผลสําเร็จตามที่เราหวังตามที่เราต้องการพระสสดาบันสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านจึนงทรงให้ระสมไปส่วดใครเป็นพระสวสดาบาลนักละว่าเป็นพระสวสดาบัลพุทธเจ้าให้ประสมไปส่วนสวดสมบูรณ์ระะให้เป็นเสขบุคคลถ้าเขาไม่ได้นิมนพระไปบินถบาลยะเข้าไปบินบถบัตยโดยที่เขาไม่นิมนพระ อหมไหม่ประลาบัตดเมื่อเขาไปเมื่อเมื่อเขานิมนต์ให้เราไปรับด้วยเหตุที่เขาศรัทธาล้วงสายมากถวายมากเท่าไรให้เรารักมาได้แต่ต้องเอามาแจกมูงเอามากัดตุนไม่คนเดียวไม่ได้ต้องเอามาแจกมูงหูเราดูพระพุทธเจ้าำกำกับถึงขนาดนี้นะคนขนาดนี้มันเป็นคนให้ให้ไม่หอดไม่อัน้นให้จนหมดเนื้อหมดตัวมีพระเมตตาไปกำกับไปดูเลยให้กงดูพระเมตตาของพระพุทธเจ้า นี่เราพูดถึงทานเราพยายามมาที่ศีลเนี่ยนี่เราต่อกองกันจังเลยเคยเคยฆ่าสัตว์แค่ขอศีลหน้าเนี่ยท่านห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักซักบางคนมีนิสัยชอบลักมือยาวมือสั้นอห้ามผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาแต่ว่าในสังคมของเรามันเป็นสังคมครุกคลีมันยั่วยุการเพาเราให้กรรมเริ่มเรื่เรื่อยมันเป่ามันกระสิทธ์กระชาบมันเป็นหัวใจมั่รั่งไปมันยั่วยุกันมันเย้าอยู่ในหัวใจ อดไม่ได้ทนไม่ได้อดไม่ได้ทนไม่ได้มันฝ่าฝืนต้องฝ่ฟาฝืนฝ่ฟาฝืนศีลฝ่าฝืนธรรมแม่ต้องสต่อสู้ไหมถ้าหากเรามีมีศีลตั้งใจมีศีลโอ้ผัวเขาโอเมียเขาโอ้ตัวเราเราก็มีเมียโอ้ผัวเขาเราก็มีผัวต้องต่อกรต้องต่อสู้ถึงจะหิวถึงจะกระหาย ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมากน้อยเท่าไหรไม่ลุกตามหน้าให้กับมันมีไหมพอเราตั้งใจรักษาศีลปักมันต้องต่อกกรนไกรกับกิเลสต้องต่อสู้กันกับกิเลสแค่ถึงศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไรักษรไม่พูดผิดทางกาไม่พูดโกหกกิจชาวิสยาพยาบาะไม่ไม่คิดอิจฉาริสยาพยายามไ ม, ไ ม, to to. ไม่บิสุรมาอะไรแค่นี้ตั้งใจเผาน้อยใจในรับความสุบสามารถเห็นสัจะธรรม พิจนาเห็นอันนี้อย่งทุกข์ันอนัตตาสามารถเข้าถึงความเป็นปโสดาบันพระสกิทาขาพระอนาค า, าขเช่นอย่างวิสาขเสียฐีท่านเป็นพระอนาคาขาอพอกลับบ้านหลังจากฟังเทศพุทธเจ้ากลับไปก็ไปบอกเลิกกับนางธรรมธินาซึ่งเป็นภรยานางก็แปลกทราบว่าสามีได้คุณธรรมถึงขั้นนี้แล้วเด็ดขาดจากกรรมคุณทั้งหลายหัวงแม้แต่กรมราคะก็สามารถละได้ทั้งหมด นางไม่อยอมรับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนางขอไปบวชเสรษฐีก็ให้ภรยรยาไปบวชก่อนภรรยาไปบวชไม่นางได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนสามีแม่เราดูถูกกันได้ใช่ไหนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่มีเพศจิตผู้ชายจิตผู้หญิงหลงตาว่าไม่มีเพศแต่ด้วยเห็นที่เราเกิดมาเป็นผู้ชายเกิดแล้วเกิดเล่าโอ้โเราผู้ชายผู้ชายยืดและเกิดสําคัญมั่นหมายมากกว่าเราเป็นผู้ชาย เกิดเป็นผู้หญิงเป็นเพศอญงอย่างหนึ่งยึดและเกินว่าเราเป็นผู้หญิงก็เลยสำคัญว่าเป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงดูไปที่ผู้รู้ดูไปที่ผู้รู้ไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงแต่หากมันนมมีแนวน้อมตามหน้าของตันท์ที่มันเกิดขึ้นบางคนรูปเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นผู้หญิงนีง่คือมีบางคนรูปเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายก็มีเขาเรียกอะไรมาลูก ปัญาที่เราเองชื่อที่เราเรียกบางทีผู้ทีเจ้าสรางกระปรำเหมือนกันมนุษย์สองเทศมนุษย์สองเพศมนุษย์สองเทศมนุษย์กระเทยมนุษย์สองเทศเนี่ยมนุษย์สองเท ศ, อ เ, ท ศ, อ เ, ทศเอาได้ทั้งขึ้นเอาได้ทั้งลงมพิจารณาลาองพวกนี้ผู้ทีเจ้าทำอะไม่อันตรายอันตรายนี่คืออะไรความหมุนความ ความหมุนความและเล็มความทึ่งกินของตัณหามันเอาทั้งขึ้นเอาทั้งองหาเราตั้งใหญรักษาสินปั๊บมันต่อกรกับสิ่งเหล่านี้เลยเราทั้งใจรักษาศิ น, ออนรรครบตั้งห้าข้อเราภาวนาให้ใจได้รับความสงบเราได้คุณธรรมถึงขั้นเป็นพระอรหันต์พิจารณาตามพระของครูชิชาทา่านสอนเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็ได้เหมดอย่างพระยศสุตโธนะเป็นพระอรหันต์บรรลุเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ พร้อมกับสวรรคตไปพร้อมๆกันหรือเหมือนอย่างพระพายิยะเนี่ยท่านได้เป็นธรตอาหารนะแต่ยังไม่ได้ปวดยังไม่ได้เพศยังไม่ได้มีเพศยังไม่ได้ถึงเพศเพราะฉะนั้นถ้าหากเราตั้งใจจะปฏิบัติรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์แค่เรามีศีลห้าบริบูรณ์สมบูรณ์เราสามารถบาเพียงทาให้เป็นไปได้แต่ในอีกกรณีหนึ่งเรารักเพศเรารักศีล เช่นอย่างสินห้าเรารักเรรักษาสินแปดเราก็รักรักษารักรักสินสิห้าเราบรักแต่ถ้าหากเรารักเรารักสินแปเราขยับมารักษาษาสิแปรักสินสิบเนี่ยรักสินสองร้อยี่สิบรักที่จะรักษาสินมากๆสอง้ิเจเพราะสินสิบเออสินสองร้อยยี่สิบเจสยเอ มันมีเพศเพศต่างจากคืหันมันเป็นการรักเพศเหมือนอย่างโลกหลานที่ตั้งใจบวดทิพย์ในหลวงบูชาพระคุณในหลวงเรามีความอุดมท่านเรียกว่าอุดมเพศอุดมเพศสมณะเพศสมณะเพศเป็นเพศแห่งความสงบเป็นเพศแห่งความสงบเป็นสมณะเพศเป็นอุดมเพศบางคนได้ ได้มาครองเทศอย่างนี้โอ้มันก็ได้ยิมยิมย่องหนึงวใจไม่ได้กําลังใจงบางคนครับที่จะรักษาศีลสองรอยยี่บเดเพราะเวลามาครองอุดมเทศด้วยรักษาศีลสองรอยี่สิบเกดรู้สึกวมก็ยิมยิ้มย่องไม่ได้กําลังใจงในอันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางคนถ้าหากตั้งใจจะต่อสู้ต่อกรกันกับกิเลสรักเพศด้วยรักศีลด้วยมีศีลรักษาอีกอย่าลืมว่าศีล ท, ทําไมถึงมีมากมายมหาศาล ที่พูดตั้งใจปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลที่เรียกว่าช้างเท้าหน้าดูแล้วศีล227พิษณุโล311เนี้ยมันปิดรูปิดช่องได้ละอียัดเข้าไปนะอย่าลืมว่าศีลจรละข้อจะละคือช่องผิดที่ตัณหาออกมาจริงแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องเราเทียบมาที่ศีลห้าศีลห้าก็มีห้าช่องช่องหนึ่งมันอยากฆ่าสัตว์อ อยากรัพษาอย่ากประพฤิในกรรมอันนี้เป็นเรื่องของกายกรรมปิดกัน้นกิเลสที่แสดงออกมาทางกายกรรมได้ไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดซอเสียปิดกั้นทางวจีกรรมได้แค่เรารักษาสิทปิดทางกายกรรมจะมารักษากรรมเราให้บริสุทธิ์ด้วยกายกรรมได้รักษากรรมวิจิกรรมเราให้บริสุทธิ์ด้วยวจิกรรมได้แต่กิเลสมันยิ่นอยู่ในหัวใจเราจึงภาวนาบุญจารย์ท่านถึงให้หยุดให้สงบ มันดิ้นยิ้มใ น, นหัวใจของเราท่านจะให้สงบให้สงบเฉยๆมันไม่สงบถ้าไม่มีงานให้ทําทําต้องตั้งใจทำอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชสุดเรี่ยวสุดแรงทําั้งงานอย่างอื่นหลวมๆละลําลุมๆเหมือนนงานอย่างอื่นไม่ได้งานนี้ถ้าทําทําเอาเป็นเอาตายใสย่เข้าไปเลยอไมงัน้นแค่สงบก็สงบไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงปัญญาที่เข้าจะเข้าไปรู้เห็นสัจธรรมเนี่ยต้องต่อสู้กันอย่างจริงจากจิตภายใน จ, stream, จ, จิต มันโดดมันดิ้นก็ว่าตั้งใจภาวนาให้ใจได้รับความสงบในความสงบนั่นแหละมันตักกระแสของตัณหาตัณหาไปแสดงไปดิ้นดิ้นไม่ได้ยิ่งตัณหาด้วยแล้วตักกระแสของตัณหาได้เลยสมถะเพียงแต่ทําให้ตัณหามันสงบนะครับแต่อย่าลืมว่าสงบระงับเรื่อยๆบ่อยครั้งเข้ามันก็เป็นเหตุกล่อมกล้าให้ใจสะเดาะรับความละเอียดยิ่งไปใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านสรงบำเพ็ญในวันเพ็ญเดือนหกนั้นน่ะ พระไทยข อ, องพระองค์ได้รูปมีสองรูปประส ม, มาบัติอรูปประส ม, มาบัติเต็มแพร่คือความสงบเมื่อพระองค์ดำรงที่จะตั้งใจพิจารณาตามหลักอานาปานาสติวันวันนั้นพระองค์ก็มาไปไม่นานเพราะว่าจิตพระองค์เ อ, อามาทางานอย่างที่อยู่อย่างนั้นจิตไม่วอกแวกคล่องแคล่เหมือนอย่างเราเป็นจิตสงบแน่นเพราะฉะนั้นแค่จากหัวค่ําไปถึงปฐมยาปฐมยาสี่ทุ่มอยู่ถ้าเราจะแยก สี่พระองค์ก็ได้บรรลุบรรลุญาณเกิดญาณมัทสันะเห็นพบชาติของพระองค์เก็ดเบื้องหลังทะลึกย้อนหลังกลับไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่มีจุดจบพยายามท่ามกลางเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิตายเกิดตายที่จะเรียกว่าจุตูปปัฏฐญาไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเกิดญาณมัทสันะญาณเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอํานาจของปัญญาแต่อสายออาสมาธิหมุนหลังเป็นพลังเอาจิตของเรามาใช้งานได้อย่างเต็มที่พรอปัดฉิมเมื่อยาม ด้วยเหตุที่ตะปะทำภายในพระไทยของพระองค์แพร่เผาอยู่ทุกเนย้ทุกเวลามาด้วยเหตุที่มียามีปัญญาแพร่เผาทุกเนย้ทุกเวลาปัดชิมญาทําให้พระองค์เข้าถึงอาสวัคคยารู้ว่าภายในพระไทยของพระองค์อาสวัทั้งหลายทวงหายไปขาดไปสิ้นไปเกลี้ยงเปลาหมดจดในท่าในขันธสันดานของพระองค์หมดจดโดยเชิงเข้าถึงความตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังมาติการก่อนเวลารองไปเทศให้ปัญจวัคคีฟังท่านบอกว่าทำอันหนึ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาติการก่อนต้องหมุนพิจารณามาในหลักโอ้รู้อันนี้เป็นทุกข์โอ้รู้ว่าอันนี้เป็นสมุทยัยรู้ว่าอันนี้เป็นโรครู้ว่าอันนี้เป็นมรรคเพ ร, ะเราะไม่เคยมีใครสอนใครบอกมาติการก่อนพระอนนาจึงสงสารว่า พุกเมอนสุตอนอนนักมุสุเตสุทำเมสุตเป็นธรรมะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาติการก่อนเสียแล้วพระองค์ก็พิจารณาไปพิจารณาไปเกิดจักสุเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างโดยเหตุที่พระองค์เห็นอยู่อย่างนี้พระองค์จึงบอกปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมถึงความบริสุทธิ์ตราบใดที่พระองค์ไม่เห็นไม่เกิดจักสุไม่เกิดญาณไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิชาไม่เกิดแสงสว่าง พระองค์จะไม่ตราวว่าพระองค์ได้ตรัสรู้โดยเหตุที่พระองค์เห็นอย่างนี้พระองค์จึงบอกปัญจวัคคีย์ว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมและไม่มีข้อข้องใจสงสัยใดๆฉะนั้นหมดความสงสัยภายในพระทัยของพระองค์หมดเจบโดยที่เชิงแล้วหมดแล้วหมดแล้วพบชาติหมดแล้วการหาที่จะพาให้พระองค์ไปเกิดในภพนั้นภพ น, น, พนี้ในโอกาสไหนๆจะไม่มีแล้วเห็นหน้าเห็นตาอถอดก็เป็นเรือนถอดทิ้งหมดแล้ว ไม่สามารถจะทำพ้นธรรมชาติให้ตรองคีได้แล้วพระองค์หมดจดจากกรกทุกทั้งหลายทั้งปวงโดยสิ่นเชิงคือจิตของพระองค์ถอนถอนถอ น, อ น, อ, น, อ, นอนจากตันหท้าปาทานจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตันหท้าปาทานถอนมาด้วยปัญญาด้วยญาด้วยญาณทัศนะเข้ารู้เข้าเห็นตัดได้โดยเด็ดขาดพรถึงขั้นนั้นแล้วตัดได้โดยเด็ดขาดความมัวหมองที่ปนเปื้อนมากับจิตทั้งหลายทั้งปวงนีง้ชะล้างเลี่ยงกล่าวได้หมดหดโดยสิ่นเชิง อันนี้คือความเป็นไปที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนใหพวกเราผู้เราได้ยินได้ฟังเอามาบอกเอามาพูดเอามาเล่าเพื่อได้ทำได้ได้ฟังเพื่อได้ถือได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้เป็นกําลังใจแก่การในกันเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายตั้งใจบวชมีอุดมสติเพื่ออุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวเนี่ยพระนมัตกรรของเราอืมมีครูบาอาจารย์ท่านจับมาให้ได้ยินได้ฟัง ได้อบได้รมก็พอได้เป็นกำลังใจหนึ่งเราได้เพศสถ้าพูดชื่อศีลอู้ให้เรารักศีลอู้เรามีศีลมากให้เราได้ยินยินย่องจะได้ผลอันนิสงจากการตั้งใจหมวดเหล่านี้อย่างน้อยๆก็เป็นการจุดประกายเป็นรูปสอนชีวิตและเป็นการแสดงความกักนยุติธรรทีต่อพ่อของแผ่นดินคือกุฏิเจคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ขัวพอกเราเพราะตวารานี้พระ พระศพของพระองค์ก็ยังอยู่พวกเราก็ทำบุญให้ทางกันทั่วๆไปมีการบวดเมื่อวันที่30ตอนค่ำเมื่อวันที่20ตอนค่ำเราก็ได้ไปช่วยช่วยผู้ใดพรนะนวกะที่วัดบวรท่านให้ไปไปไปอบรม อ, อยู่ที่พุทธมนตน อาจารย์เล so, ือนท่านรับไปอบรมอยู่ที่พุทธนุนเทเราก็ได้ควช่วยช่วยพูดช่วยช่วยพูดธรรมะอะไรจะมาห้ฟังแต่อยู่ตรงนั้นมันสงบเงียบแล้วก็มีเวลาไม่มีเรดานจากัดพอหลังจากพูดจบแล้วถามถามถามถามจนเราหมดแรงตอบถามจนหมดแรงตอบแต่เรามาพูดที่นี้เรามีเวลาจํากัดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอหลังจากเลิกนี้ไปแล้ว ถามได้บ้างปัญหาสอปัญหาเพราะเราก็มีเวลาจำกัดจะต้องถึงสนามบิน4โมง4โมงเย็ยนถ้าเกินนั่นไปเราก็มีแต่ตัวแหละัแต่เครื่องมันไม่คอยแล้วลเราจะนั่งกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้กุศลติมาเตือนใจได้รับความสงบสงบัด ได้ข้อเตือนกกจิตสกิดใจขอให้เอาได้เอาไปถือเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติจึงขออำหนยมุ่นัยให้ก่อท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้การออกตั้งใจทงนี้เพื่ออุทิศบูชาบิดามารดาผูา้ย่าตายายศักประศักทั้งหลายเป็นพระพิเศษกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งเป็นความตั้งความปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแต่ มีผลมีออ น, นิสงส์ย้อนสะท้อนมายี่ใัวใจของเราขอผลอ น, นิสงส์ทั้งหลายทุกพวกเลา่านี้จงเอายอวยใยให้พรกับเราทั้งหลายให้กับพวกท่ท า, านทั้งหลายให้กับญาติโยมทั้งหลายประสบความสุขความเจริญที่ชอบด้วยสิ่งโดยธรรมโดยทั่วหน้าการอิ่ววง จิตจิตต่างปฏิต่างตุนมหันขิบะเมวัสสนิชทุกสเปฟูเรนทุกสังกปาจันโรปนกะโสยธามนิโชติระโสยถาสพีดีโยวิวัชชนตุสพรโรโกวีนัตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีทีภัยโกวะอภิวาชนาสีอิจริจังอุทธาปัจจัยโนจตารโรมมาวันติอายุวโนสุภาลัง